hmm <sweak> อาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งชอบพานักศึกษาแล้วก็จิตอาสารเข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจนะของคนที่มีปัญหาบางทีก็เป็นเยาวชนนะวัยรุ่นที่ไปก่อคดีแล้วก็ถูกจับอาจารย์ก็พานักศึกษาไปวิธีการเยียวยาก็ค่อนข้างแปลกนะ ใช้สมุดภาพเพื่อเป็นสื่อในการเล่นานิทานสิ่งสำคัญมาไม่ได้ที่เนื้อหานะแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกนะที่สามารถจะไปกระทบใจของเยาวชนนะเพราะคนที่ก่อคดีนี่ก็รู้แล้วแต่มีปัญหาคนนี้ต้องมีความทุกข์อยู่ในจิตใจก่อนแล้วนะถึงจะไป ก่อความวุ่นวายสร้างปัญหากับผู้อื่นได้นะผู้เจอาตรัดว่าคนเราเนี่ยนะต้องทำร้ายตัวเองก่อนจึงจะไปทำร้ายคนอื่นได้การทำร้ายตัวเองคือว่าก่อทุกข์ในจิตใจแต่ว่านอาจารย์แล้ก็นักษากลุ่มนี้นะก็ไม่ได้ไปเฉพาะสถานอภินิษฐเยววาวชน บางทีก็ไปที่เป็นสถาบนบำบัดจิตใจของผู้ป่วยมันมีผู้ป่วยบางชนิดนะที่เกิดกระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็ทำให้กลายเป็นจะเรียกว่าผู้ป่วยด้านจิตประสาทก็ได้ก็ไม่ถึงเป็นคนบ้านนะแต่ก็ใกล้ๆกันนะ มีขอนึ่อาจารย์ก็อ่าหนังสือภาพนะหนังสือนี่ก็บางหน้าก็มีแต่สีอย่างเดียวเลยนะเช่นสีเขียวสีแดงแล้วก็อาจารย์ก็เล่าให้กับผู้ป่วยเหล่านี้มีคราหนึงก็เล่าให้ผู้ชายคนหนึ่งฟังแล้วก็ชอบมากเลยนะ ตหลังกก็เอาสมุดสมุดภาพนนะั้นมาดูไม่ได้อ่านนะั้มาดูแล้วก็ชี้ให้อาจารย์ดูเนี่ยโอ้โหแกชอบสีนี่มากเลยนะแล้วก็ชี้ไปที่หน้าที่มันมีแต่สีเขียวเขียวปื้อเลยผมชอบสีเขียวมากเลยนะผมชอบสีเขียวจริงๆนะอยากจะบอกนะว่าผมชอบสีเขียวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเป็นผีพราย ว่าผมเป็นผีพรายผีพรายนี่ชอบสีเขียวตัวตัวมันเขียวอาจารย์กับนักศึกษาก็ไม่ได้หัวเราะเยาะ อ, อะไรก็พยักหน้ารับรู้สักพักชายคนนั้นก็ร้องโ hom ร้องไห้อาจารย์ก็เลยถามว่าเป็นอะไรอะ่ะทาไมถึงร้องไห้ชายคนนั้นก็บอกว่าคุณลู้ไหมนะั่นมันแย่จริงๆเลยนะที่ ใครๆก็คิดว่าผมเป็นมนุษย์ผมก็เลยต้องทำตัวเป็นมนุษย์ทั้งๆที่ผมเนี่ยเป็นผีพรายผมไม่ใช่มนุษย์อาจารย์กับนักศึกษาก็ทำหน้าเห็นใจนะแล้วก็อาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเนี่ยมันก็เศร้าจริงๆนะที่คนเราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างแท้จริงได้แต่รู้ไหมเนี่ยเป็นผีพรายมันก็โอเคนะ จะเป็นผีพายก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกสักพักชาว ก, นะก็นึกวออก็พยักหน้าของเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะผมก็ลองเป็นมนุษย์มาอยู่สักระยะหนึ่งนะแล้วก็ก็โอเคนะเป็นมนุษย์ น, นะนะจะเป็นมนุษย์ก็ได้นะผมจะลองดูนะนเรื่องก็จบแค่นี้นะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลก เ, เกิดขึ้นที่เมืองไทยนี่แหละนะไม่ใช่ที่ไหนอะไรที่มันน่าสนใจคือว่าจิตใจคนเราเนี่ยนะมันแปลกนะมันสามารถจะปรุงแต่งได้สารพัดเลยแล้วก็พอปรุงแต่งเนี่ยจินตนาการหรือว่าคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คิดในสิ่งที่มันปรุงแต่งนะอา่ามันเชื่อในสิ่งที่มันปรุงแต่งนะ เหมืนกับนักเขียนนิยายนะที่จินตนาการไป108นะเพื่อเชื่อเขียนนิยายเสร็จแล้วก็เชื่อเลยนะว่าไอ้เรื่องที่ตัวเองแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือที่เคยเปรียบเหมือนกับนักมายากลนะเราก็รู้ใช่ไหมนักมายากลเนี่ยเขาหลอกนะแต่ว่าคนดูก็หลงเชื่อว่าเป็นความจริงอันนั้นก็ไม่แปลกนะแต่ที่มันแปลกคือว่าถ้าเกิดนักมายากลเนี่ยมันเกิดเชื่อจริงๆนะ ว่ามีกระต่ายออกมาจากหมวกหรือว่าตัวเองหายตัวได้หรือว่าสามารถจะตัดคนเป็นสองท่อนได้เราเคยดูนะมายากลนะั้นตัดคนเป็นสองท่อนเนี่ยคนดูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ว่าจับโกหกไม่ได้แต่ที่แน่นอนนักมายากลเขารู้แล้วนะว่ามันโกหก แต่ถ้าเกิดต้องมายากนเชื่อเป็นความจริงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแล้วให้จิตเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะมันปรุงแต่งได้สารพัดเลยแล้วมันก็ดันเชื่อในสิ่งที่มันปรุงแต่งด้วยพวกเราก็มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะเวลาเราฝันเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยเราฝันว่าเราบินได้เราฝันว่าเราเป็นผีเสื้อเราฝันว่าเราเป็นอะไรต่ออะไรมากมายแล้วเราก็เชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงในฝันนะ เพียงแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไอ้ที่ปลุกแต่งเนี่ยนะมันเป็นแค่ความฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยเราเชื่ อ, องี้ยจริงๆนะโดยเพราะในช่วงที่เราฝันก็นี่คนบางคนเนี่ยก็ฝันไปจริงๆเลยเขาเชื่อจริงๆเลยนะว่าเขาเป็นผีพรายไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าที่น่าสนใจนะก็คือว่าอาจารย์คนนั้นเนี่ยก็มี ความเข้า อ, อกเข้าใจคนนะคือเข้าใจว่าคนเราเนี่ยถ้าเขาอยากเป็นอะไรเนี่ยแม้จะดูเพียเพ้ยนๆอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปปฏิเสธอย่าไปห้ามเขาเคื่ยวเขาเป็นผีพรายก็ยอมรับซะว่าเขาเป็นผีพรายถ้าไปบังคับว่าเธอเป็นผีพรายไม่ได้นะเธอต้องเป็นมนุษย์นะเธอเป็นมนุษย์เธอไม่ใช่ผีพรายเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็จะยิ่งเชื่ออยู่นะยิ่ง ออเรื่องปักใจเชื่อเลยนะว่าฉันเป็นผีพรายยิ่งเราไปกดดันไปบีบคั้นไปยัดเยียดนะเขาก็ยิ่งปฏิเสธยัดเยียดความเป็นมนุษย์ให้เขาเขาก็ยิ่งไม่อยอมรับความเป็นมนุษย์นะยิ่งยืนกรานยืนยันว่าฉันเป็นผีพรายนะแต่พออาจารย์ก็บอกเออนะเข้าใจนะจะเป็นผีพรายก็ได้นะ เป็นผีพรายก็โอเคนะาชายคนนั้นยอมกลับมาเป็นมนุษย์เลยนะอันนี้เป็นธรมธรมดาคนเรานะเวลาถูกบงังคับยัดเยียดเนี่ยมันก็จะต่อต้านแต่ว่าพอได้รับการยอมรับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทิ้งสิ่งที่ตัวเองเคยยืนยันยืนกรานนะเช่นละทิ้งความเป็นผีพรายมากลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่า ไม่มีใครนะจะปฏิเสธหรือคัดค้านนะการเป็นผีพรายวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเขาอยากจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าพ่อแม่ไปไปขัดขวางเขานะไปปฏิเสธเนี่ยเขายิ่งอยากจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นแต่เพราะเขาได้เป็นจริงๆเขาก็าจจะเปลี่ยนใจก็ได้อันนี้กลับมาเรื่องการปรุงแต่งของใจเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าใจมันปรุงแต่งด้วยสารพัดนะยิ่งมันเป็น การปรุงแต่งด้วยอำนาจความหลงนะมันก็ยิ่งทําให้ใจรถเนี่ยถล่มเข้าไปในความหลงมากขึ้นไอการคิดว่าตัวเองมีชีพายเนี่ยนะไม่ใช่มนุษย์นี้อันนี้ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะมันมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าตัวเองตายไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วนะหรือว่ากําลังจะเน่าแล้วพอคิดแบบนี้นะไม่อยอมกินข้าวนะไม่อยอมเคลื่อนไหวพอแม่ใช้กินข้าวบอกฉันไม่กิน เพราะฉันตายไปแล้วอ้าวถ้าตายไปแล้วจะพูดได้ยังไงนะเขาไม่ได้คิดนะฉันไม่กินฉันตายไปแล้วนะบางคนถึงขั้นไม่ยอมหายใจนะบางรายนี่ก็ต้องพยายามยัดเยียดให้อาหารเพราะเขาไม่ยอมกินอาหารบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเทวดาไปแล้วตายไปแล้วมันก็แปละนะธรรมชาติหรือสังชารแต่งคนเราเนี่ยมันไม่อยากตายหรอก มันมีความยึดติดในตัวตนมากแต่ก็มีคนบางกลุ่มนะที่กลับไม่ยอมรอดตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่คิดว่าตัวเองเป็นศพไปแล้วจะให้เคลื่อนก็ไม่ยอมเคลื่อนแต่ไม่เฉลียวใจเอ๊ะเรายังพูดได้เรายังคิดได้นี่เรายังหายใจได้เนี่แล้วเราจะตายได้ยังไงคือถ้าคนเรารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่คิดแบบนี้หรอกนะแต่ว่าพอคนเราพอหลงแล้วนะมันก็คิดไปสารพัด แล้วคนจำนวนนี้ก็มีมากซะด้วยนะจนทั่งเขาตั้งเป็นเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งนะชื่อว่าโกตาซินโดรมนะตั้งชื่อตามตามหมอชาวฝรั่งเศสที่ค้นพบว่ามีคนเป็นโรคแบบนี้แต่ว่าไอการคิดปรุงแต่งว่าเป็นผีพรายก็ดีนะหรือว่าเป็นข้อโพดนะอย่างที่อาจารย์สุริงเคยเล่าให้ฟังก็ดีหรือว่าคิดว่าตัวเองตายไปแล้วก็ดีเนี่ย จะว่าไปมันก็ไม่ได้ก่อความเสียหายมากเท่าไหร่นะแต่ว่าที่มันก่อความเสียหายมากกว่าก็อาจจะเป็นไอการปรุงแต่งที่มันดูธรรมดาสามัญนะแต่ว่ามันก็สร้างปัญหาให้กับคนทั่วไปนี่โดยเฉพาะการปรุงแต่งว่าฉันเป็นคนเก่งนะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนประเสริฐฉันเก่งกว่าใครนะฉันเป็นเลิศกว่าใคร อันนี้มันเป็นการปรุงแต่งนะของกิเลสที่ชื่อว่ามานะมานะคือความสำคัญมั่นหมายในตัวตนซึ่งก็มีทั้งสำคัญว่าต่ำกว่าแล้วก็สูงกว่านะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นปัญหาก็เพรมันพยายามสร้างความมั่นหมายว่ากูแน่ ก, แนกูเก่งกูดีกูประเสริฐแล้วนะกูเป็นคนฉลาดเนี่ยอันนี้มันมีอยู่กับคนทั่วไปนะ มันเป็นการปรุงแต่งของจิต ท, ที่สร้างปัญหาได้เยอะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่างเดียวนะมันกลับมาสร้างปัญหาหกับตัวเองด้วยแล้วคนเรามันก็มีเหตุผลที่จะปรุงแต่งนะกิเลสเนี่ยมันสามารถจะเอาเหตุผลต่างๆมามาปรุงแต่งว่ากูแก่งกูแน่นะเช่นเอาเรื่องการเรียนบ้างละเอาปริญญาบารบ้างละหรือว่าเอาศีลเอาธรรมะที่บําเพ็ญบ้างละนะ แล้วคนที่บาเพ็ญให้ทารักษาศีลหรือว่าเข้าวัดนี่ก็กิเลสมันก็ใช้ความจริงอันนี้เนี่ยมาชู ว, ว่ากูเก่งกูแน่กูดีนะกูเป็นคนประเสริฐและสิ่งที่ตามมาคือว่าดูถูกคนอื่นอันนี้คือปัญหาแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นยังไงนะ เ, เมื่อสักมันมีนักนักทหนังคนหนึ่งนะที่มีชื่อ มากนะเมื่อสัก40ปีก่อนนะชื่อเปียโปสเตอร์เปียโปสเตอร์นี่ก็เป็นนักทําหนังไปร่วมกับหนังที่มีชื่อนะเมื่อสัก 30- 40ปีที่แล้วตอนนี้เองมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาก็เลิกทําหนังไปนานแล้วแต่ก่อนที่เขาจะทําหนังเนี่ยเขาเป็นนักวาดภาพโปสเตอร์จึงตั้งชื่อว่าจึงมีฉา ย, ยาเปียโปสเตอร์ภาพโปสเตอร์โฆษณานหนังเนี่ยแต่ก่อน เวลาใช้หนังเนี่ยนะมันก็ต้องมีโปสเตอร์ติดตามโรงหนังติดตามที่ต่างๆเปรียบโปสเตอร์นี่เขาเป็นคนที่วาดเรียว่แผ่นปิดนะแผ่นปิดหรือโปสเตอร์ได้ได้สวยเขาเล่าว่าประมาณสักตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยนะเขาก็มีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินนะอยู่สอาคนเพื่อนกินหมายถึงว่ากินข้าวนะวันหนึ่งกินในร้านอาหาร เพื่อนคนหนงที่สนิทมากกับเขาเนี่ยนะเห็นชายคนหนึงกินเหล้าก็พูดขึ้นมาว่าโง่ชิดหายเลยนะกินเหล้านะแต่ให้เหล้ากินนะพูดจาดูถูกผู้ชายคนนั้นสองสาเดือ น, นต่อมาก็มีงานเลี้ยงที่บ้านของเพื่อนเขาก็มีการตั้งเบียร์ตั้งขวดเบียร์นะทั้งเปียรแล้วก็เพื่อนคนนี้ชื่อเกษียณนะก็เออ เห็นเหล้าเห็นเบียรมาวางอยู่ก็ลองชิมดูชิมแล้วก็สือ่อมันขมๆนะไม่เห็นน่ากินเลยชิมสักพักก็วางผ่านไปสองสาเดือนขณะทีะ่ทั้งเปียกทั้งกเกษียณนี่กำลังวาดภาพอยู่ในสตูดิโอผู้วาสตูดิโอนะแต่ที่จริงมันก็คื อ, อมอนกับโกดังกันนะจเปียกก็เห็นกเกษียณเนี่ยนะสั่งเบียมากิน เบียก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวทาไมกินนะว่าเขาว่าว่าคนกินเหล้าว่างโง่ชิบหายนี่แล้วทําไมถึงกินกระษสียงก็บอกว่ า, าคุณไม่รู้อะไรนะเหล้าเนี่ยมันเป็นของพวกสะถุนพวกคนชั้นต่ำและเบียร์นี่มันสำหรับคนชั้นสูงเอาไว้กินผ่อนคลายนะมีเหตุผลน ะ, ละกินเบียร์เพราะมันเป็นของคนชั้นสูง กินเพื่อผ่อนคลายส่วนเหล้าเป็นพวกสตรุนกินกันนะพวกแม่โค้งพวกเหล้าขาวเป็นต้นแล้วต่อหลังนี่เขาก็เริ่มกินเบียร์จากวันละขวดก็วันละสีห้าขวดผ่านไปไม่นานนะก็เบียกก็เห็นเพื่อนเนี่ยชื่อกระเสียงเนี่ยสั่งลูกน้องให้ไปซื้อเหล้ามาไปซื้อเหล้ามาเป๊กหนึ่งเบียกก็เลยท่วงขึ้นมาว่าอา้าวไหนว่าเหล้าเป็นของสตรุน นะพวกคนของพวกชนชั้นต่ําทําไมกินเหล้าอ่ะกระเสิงเขบอกว่าคุณต้องมีเหตุผลน่อยนะเงินเดือนของเราเปนเท่าเงินเดือนของเรามันเท่านี้นะกินเบียเวลาห้าหกขวดมันจะไหวได้ยังไงนะกินเหล้าแค่เป๊กเดียวเนี่ยอยู่เลยนะเอาอยู่เลยเสร็จแล้วก็เราจาน่้ก็กินเหล้าเรื่อยไปจากเป๊กหนึ่งเป็น2อเป๊กสาเป๊กถเป็นขวดเลยสุดท้ายนะกลายเป็นคนติดเหล้า แล้วก็เป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ไม่นานก็ตายเพราะเหล้านอกจากคนที่เคยด่าว่าคนกินเหล้าว่างโง่นีโง่ชิบหายเลยนะกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินไปมาตัวนี้กลับเป็นซะเองอ่ามันมีคําภาษิตว่าเนี่ยอย่าอย่าว่าคนเมานะใครที่ฟังเรื่องนี้ก็จะคิดว่าเนี่ยเนี่ยเป็นพราอไปว่าเขาตัวเองก็เลยเป็นซะเองนะ อาจจะมอไปเรื่องกดแห่งกรรมพราไปว่าเขานะีตัวเองก็เลยติดเหล้าซะเองแต่ที่จริงถ้าดูให้ดีนะมันเป็นเพราะว่าความยกตนข่มท่านเขามากกว่าการยกตมยกตนข่มท่านการไปดูถูกคนที่เขากินเหล้านะว่าโง่ผสมกับความประมาทด้วยคือพอเห็นว่าเขาโง่เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเรานี่ฉลาดนะเราดีเราเก่ง มันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจนะว่ากูแน่ไอ้พวกนี้มันโง่นะกินเล่าแต่ให้เล่ากินพอคิดว่ากูแน่เนี่ยนะมันก็จะมีความประมาทประมาทว่าเรลาทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะเล้าเนี่ยมันมันจะเล่นงานก็เฉพาะคนโง่นะอย่างไอ้พวกเนี้ยไอ้ความยกตนข่มท่านเนี่ยมันทามันนำไปสู่ความประมาทความประมาทว่ากูแน่นะเลาทาอะไรกูไม่ได้หรอก แล้วพอประมากงี้เนี่ยมันก็ทําให้ค่อยๆถลําเข้าไปนะกินเหล้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะมันก็เริ่มอย่างงี้แหละเสร็จแล้วจากกินเหล้านิดหน่อยนะที่แรกเริ่มที่เบียร์ก่อนนะกินเลสมันฉลาดนะมันไม่ใช่ว่าจะล่อให้คนเข้าไปติดกับทันทีนะมันก็ยังล่อนะที่แรกก็เบียร์ก่อนนะเบียร์สักขวดหนึ่งก่อนตอนหลังก็หลายขวดเสร็จแล้วก็ค่อยเหล้าแล้วนะแล้วก็เหล้า ทีละเป๊กทีละเป๊กสุดท้ายก็หลายขวดเสร็จแล้วก็ตายเพราะเราให้ความยกตนข่มท่านนี่มันมันต้องระวังนะเพราะว่าพอเราถือว่าเราแน่เราเก่งเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราดูถูกเยยดยางคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะประมาทแล้วพอประมาทแล้วเนี่ยก็จะพลาดท่าเสียทีไอสิ่งที่เราประมาทได้ง่ายเคยเล่าไปแล้วนะอ่ เรื่องของพระสมหมายนะที่อาจารย์ซุมเมธโธ ท, ท่านนำมาพูดถึงพระสมหมายนี่เป็นพวกเป็นพระที่พาให้อาจารย์ซุมเมธโธมาพบหลวงพ่อชาแล้วก็ทำให้ท่านตัดสินใจบวชนะตอนนั้นท่านเป็นเนนนะอาจารย์ุูเมธโธะเป็นเนมเมเนเนสมเมรส็จแล้วก็พอมาเห็นหลวงพ่อชาก็ศรัทธาแล้วก็มาบวชตอนที่บวชเนี่ยพระสมหมายก็ เห็นว่าถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเคร่งวินัยก็จำจี้จำชายคอยเพ่งโทษพระในวัดรวมทั้งพระสุเมทโธ่ด้วยนะแล้วท่านถือว่าฉันเนี่ยเคร่งวินัยนะไอ้พวกที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยก็ท่านก็รังเกียจนะแล้วก็ต่อว่าเป็นประจำสุดท้ายวันดีคืนดีก็เกิดสึขาราเพศขึ้นมปไปเป็นคารวาสได้ไม่นานนะก็เริ่มติดเหล้าแล้วก็ติดเหล้าหนักจกนกระทั่งกายพวกสุราเรื้อรัง แล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นคนเพี้ยนไปเลยต้องไปหาต้องไปเอาขยะไปขายไม่มีบ้านพักอาศัยนะก็ต้องมาอยู่วัดแล้วตอนหลังก็โดนรถชนตายขณะที่ไปคุยเคียวหาขยะจากพระที่คนเป็นคนเคร่งวินัย น, นะก็กลายเป็นคนที่ติดเหล้าอันนี้ก็เชื่อว่าคงเป็นเพราะความประมาทด้วยนะ ความประมาทเพราะคิดว่าฉันแน่นะฉันเป็นคนเคร่งกิเลนี่มันฉลาดนะมันก็พยายามที่จะมาล่อหลอกให้คนเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของมันและวิธีที่ลอ่อวิธีล่อลอกที่ได้ผลมากก็คือการหลอกให้ประมาทด้วยความเข้าใจว่าฉันเก่งฉันแน่นะฉันไม่เหมือนใครหลอกฉันเป็นคนพิเศษพอคนเราเนี่ย มีความคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองเท่าไหร่จริงๆเรื่องของพระสมมาเนี่ยยังไม่คอ่อยยังไม่ยังไม่แย่เท่ากับอีกพระอีกรูปหนึ่งนะเมื่อสักส0สิปีก่อนเนี่ยเป็นพระที่มีชื่อมากนะเป็นนักเขียนด้วยนะท่าน อ, าอยู่ในเคยเป็นสิทธิ์สวนโมกนะ แล้วก็ศรัท ธ, ธาหลวงพ่อปัญญามากตอนหลังท่านก็เขียนหนังสือทำนิตยสารต่อต้านอบอายมุกโดยตรงเลยและเป็นคนที่ฉลาดนะมีความสามารถในการเขียนการวาดรูปการบรรยายวารสารนิตยสารท่านก็เน้นเรื่องการต่อต้านอบายมุกโดยตรงและความหลงงม ง, งายท่านบวชได้สักเกือบ20สิบพันสามแตแล้วไม่ทราบเป็นพ่ออะไรนะก็ศึกนะ พอศึกไปแล้วก็มาทํางานอยู่แถวสุรินเป็นคนสุรินนะสุรินนี่เขาก็มีชื่อเรื่องสุรานะอยู่สุรินไม่กินสุรานะก็เป็นอะไรจุดๆสุรินนะก็น่าจะเป็นชัยภูมิที่ดีนะในการต่อต้านอบายมุกนะต่อต้านสุราไปประมาณพบว่ากลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยนะจากพระที่ต่อต้านอบายมุกนะ ตามแนวทางของสวนโมกนะของวัชชนประทานกลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยแล้วก็ติดหนักขึ้นเรื่อยๆนะจนทางวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าค่าตัวตายนะเอาปืนเนี่ยกรอกใส่ปากยิงปืนยาวที่มั่งใช้เท้าเนี่ยลั่นไกนะจากพระที่ชวนคนภาวนาทมสมาธิเจริญสตินะ แล้วก็ชวนคนต่อต้านอบายามุกมาลงเออแบบนี้มันก็น่าสลดใจนะซึ่งมันก็น่าเป็นตัวอย่างให้เราตระหนักว่า้เรื่องแบบนี้นี่ประมาทไม่ได้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอบายามุกอย่างเดียวนะไม่ใช่ เ, เรื่องเล่าเรื่องบุรีเรื่องการพนันอย่างเดียวนะเรื่องผิดศีลอย่างอื่นด้วยนะเรื่องการมีกิจ ก, การประพฤติผิดในกาม เวลาเราได้ข่าวว่าออมีคนนั่นคนนี้เข้าไปพูดผิดในกลางก็มีเมียน้อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูถูกเขานะว่าอไอ้พวกนี้มันโง่พวกนี้มันไม่มีศีลเพราะบางทีเนี่ยเผลอเนี่ยตัวเองอาจจะกลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้ใ น, ในเวลาไม่นานต่อการดูถูกเนี่ยนะมันทําให้เราประมาทการดูถูกว่าคนพวกนี้มันไม่มีศีลเนี่ยความคิดแบบนี้มัน มันสะท้อนว่ากูแน่กูเก่งนะแล้วก็มันทำให้ประมาทนะประมาทกิเลสได้ง่ายนะอย่าว่าแต่การผิดศีลข้อสามเลยแม้แต่ทั้งผิดศีลข้อหนึ่งเนี่ยคือการฆ่านี่นะเวลาเราได้ข่าวผัวฆ่าเมียเราอาจจะนึกในใจมันฆ่าได้ยังไงนะพวกนี้มันแย่หรือเกินคนที่คิดแบบนี้ต้องระวังนะเพราะว่า พอคิดแบบนี้เราอาจจะประมาทก็ได้เราก็ดูข่าวนะคนที่ฆ่าเมียเนี่ยไม่ใช่พวกกุย้ยเป็นพวกวัยรุ่นเป็นพวกที่เมาเล่านะบางทีก็เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมเป็นสถาปนิกเป็นหมอเป็นข้าขราชการชั้นสูงเนี่ยเป็นพระก็มีนะนะเคยมีพระเนี่ยเป็นเจ้าขุนด้วยซ้ำนะก็ไปฆ่าแม่ชีนะ ซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยมีเพศสัมพันธ์นะโอ้ผิดหลายเด้งเหลือเกินนะพระเหล่านี้ท่านก็สอนนะพระท่านนี้ท่านก็ค ง, งสอนนะว่าผิดสีไม่ดีนะไอ้พวกที่ผิดสีนี่มันพวกงี่เง่านะโง่อันนี้แหละนะเป็นการเปิดช่องให้กิเลสเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาเล่นงานได้ยิ่งเวลาเจอขาพวกนี้เจอได้ฟังเรื่องเราอย่างนี้อย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปดูถูกเขานะ อย่าไปเหยียดยามเขาต้องมองว่าโอ้น้อมเข้ามาใส่ตัวเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาเอาเขามาเป็นครูสอนเราว่าเราอย่าเป็นอย่างเขานะนนที่ขนาดเขายังเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าเราประมาทเราก็อาจจะพลาท่าเสียเที่ยงเขาก็ได้อย่างกเสียเนี่ยนะถ้าหากว่าเออเห็นคนกินเหล้าแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยแทนที่จะนึกดูถูกเหยียดยามว่ามันโง่นะ มองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขานะเขากินเหล้าจนเมาไม่เนี่ยนะมันน่าสงสารเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นนี่แย่เลยนะอย่าเป็นอ ย, อย่างนั้นเด็กขาดนะถ้าคิดแบบนี้นะมันก็จะเตือนใจให้ไม่ประมาทให้ระมัดระวังนะเราจะคิดแบบนี้เนี่ยการที่จะไปพลาดท่าเสียทีอบายามุกนะหรือว่าการผิดศีลอื่อนๆเนี่ยมันก็จะน้อยลง ดูข่าวเหล่านี้แล้วเนี่ยเห็นเรื่องราวคนเหล่านี้อย่าไปอย่าไปดูถูกเขานะต้องเอามาเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจว่าเออเราจะเป็นอย่างเขานะอย่างนี้แหละไม่ทําให้เกิดความไม่ประมาทแต่เนะมื่อกี้ก็เพิ่งสวนนะประมาโทโฮจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงแตนะ่ประมาทไม่ได้เลยนะแม้ว่าดูเหมือนว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นทํากับเราตอนนี้ดูเหมือนมันห่างไกล เหมือนกับฟ้ากับเหวแต่ไม่แน่นะเพอๆไปก็ค่อยๆคลอยไปนะจากฟ้าสู่เหวก็ได้นะอย่างพระสมหมายก็ดีหรืออย่างพระรูปที่กล่าวถึงเนี่ยนะเป็นพระที่มีชื่อนะต่อต้านอไรมุกนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะลงเอยด้วยการเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะวาความหลง คนเราพอหลงแล้วเนี่ยนะมันก็ค่อยคล้อยต่ำไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงกับกับตาลปัดนะภายในวัน2วันแต่ว่าพอผ่านไปปี2ปี3 4 5สหปีเนี่ยนะมันก็ไปจุดนั่นได้นะเพราะว่ากิเลสนี่มันฉลาดมากนะในการที่จะล่อให้เราค่อยๆหลงตัวลืมตนไปชิลนิชชิลานิช กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนะบางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเพราะว่ามันหลงจนนึกอะไรไม่ออกเลยดงนั้นความผิดหรือว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยนี้ก็ต้องระวังอย่าประมาทต้อง อ, อย่างที่พูดเมชาณ ว, นะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันมันฉลาดมากนะมันช่วยโอกาสที่จะครอบงาําเล่นงานจิตใจเราได้ตลอดเวลาทุกโอกาสแล้วมันก็มาด้วย เหตุผลเทเล็กทเทเล่นน้อยเริ่มจากการกินเบียร์ก่อนกินนิด ก, กินหน่อยก่อนเสร็จแล้วก็ตัวหลังก็กินเหล้าทเทเลเป็ก2เปกก่อนเสร็จแล้วติดเหล้าไปเลยคนเวลาขโมยของเนี่ยมันไม่ใช่ขโมยทีเดียวนะมันเริ่มจากขอยืมก่อนขอยืมก่อนขอยืมไปใช้ก่อนนะขอยืมไปใช้บางทีก็ขอยืมบัตรไปใช้ก่อนเสร็จแล้วก็พอไปมาก็ไม่คืนอันนี้ก็เป็นอุบานกินเลส น, นะ มันจะขโมยของมันไม่บอกเราหรอว่ามันจะขโมยของนะมันจะมาอ้างว่ามันจะมาหลอกเราให้ยืมยืมยืมไปสักหน่อยก่อนนะยืมไปใช้ก่อนพอใช้ไปสักสองสมวันก็ขอใช้ต่ออีกสี่สองสามเดือนเสร็จแล้วก็ยึดเอาไว้เลยนะการผิดศีนี่มันมาด้วยวิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะกิเลสนี่มันฉลาดล่อให้เราหลงได้ง่ายนั้นะถ้าเราประมาทนะเราก็จะพราดท่าเสียทีมันในที่สุด คำนี้เพื่อนท่านนี้กลับพร